พระบัญญัติ695ก็ภิกษุณีใดเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพียงกันลงอุเคปนียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสตุศาสให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการโรคสงทั้งไม่รับรู้ชันท่าของคณะแม้ภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมาปฏิกัดนิสรณีิยะเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจก